ก็ยังมีโอกาสนำธรรมะนี้ไปใช้เกือบคอนชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตะอนมุทนาหลายคนที่ไม่มีโอกาสกลับมาไปแล้วไปเลยเพราะนั้นการทำที่เราทำเนี่ยมันเป็นการฝังรากของชีวิตคือรากของสติสมัมมาญาะเป็นรากฐานของชีวิตถ้าหาว่าชีวิตเราไม่มีรากฐานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ ทำให้ชีวิตนี้มีความสุขสงบอะไรได้เหมือนกับต้นไม้ที่มันไม่มีรากฝนแดดมาก็พอยจะล้มพอจะตายเรื่อยๆแต่พอเราต้นไม้อย่างรากต้นไม้นี่ก็เติบโตพุ่งขึ้นข้างบนมองหาแดดหาฝนยิ่งตากแดดแตากฝนเท่าไหร่มันก็ยิ่งเติบโตชีวิตของเราถ้า ม, มีรากฐานของสติสัญญาลึกลงไปเนี่ยยิ่งมีปัญหาและป่วยสั์ กระทบกระแทกมากเท่าไหร่ชีวิตนี้ก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งเติบโตแต่ถ้าหากว่าพืชบางอย่างที่มันรากมันสั้นพืชฤดูเดียวรากสั้นๆพอโดนแดดโดนฝนเข้าจะจัดก็จะตายพอหมดฤดูการหมดฝนก็ตายฤ ด, ดูใหม่ก็ปลูกใหม่มันพืชผลผลไม้อันนั้นก็เรียกว่าชีวิตล้มลุก ครุกขานชีวิตลงมลุกคลุกขานเพราะรากมันสั้นคือไม่ได้อย่างรากของสติสัมยะเลยชีวิตนั้นก็เป็นชีวิตประเภทไม่เลื้อยไม่ฤดูเดียวหรือสองสามปีอย่างเมล็ถัว่วเม่อเขือคนอก็อยู่ได้สักพักหนึ่งหมดอายุก็ตายคนก็เหมือนกันคนก็เป็นพืชที่ไม่มีแก่นคนก็เป็นต้นไม้ที่มีแก่น คนต้นไม้ที่ไม่มีแก่นก็จะอยู่ได้หลายปีอยู่แต่ว่าไม่สามารถอยู่ได้ถึงเป็นหลายสิบปีหรือร้อยปีได้นอย่างไม้นุ่นไม่เบาหรือไม้กระเจาไม้อะไรต่างบางทีไม่มีแกน่นุชีวิตมันก็เช่นเดียวกันนะมันมีประเภทที่มีแก่นสารผู้ใดมีมักผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อ น, อนุนเราจะ กระทบแล้วกระทบอีกนวดแล้วนวดอีก น, นว่าเหมือนกับนายช่างหม้อทำกับหม้อดินฉะนนั้นต้องตบต้องตีดิดให้ให้ละเอียดให้นุ่มเพื่อจะได้หม้อที่สวยผู้ใดมีความมีมรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เพราะนั้นธรรมะของพุทธยถาเต็มไปด้วยกา ร, รปฏิบัติขาดเกลาดเพื่อให้มันการที่จะตัด สายโซ่ของกิเลสตหาที่นําไปเกิดทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่รู้กี่พบกี่ชาตินับชาติไม่ถ้วนนะเกิดแล้วใจอีกอถูกฆ่าแล้วฆ่าอีกตกนรกแล้วตกนรกอีกเกิดเป็นสัตว์ให้เขาใช้แล้วใช้อีกเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่ า, ากี่แล้วกินอีกอยู่นี่ไม่รู้พบชาตินับไม่ถ้วนแต่พอเราได้เพเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ได้อย่างล่าของชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะพ้นจากพบชาติที่แสนทรมานเหล่านั้นได้ อย่างน้อยที่สุดก็คือนับได้ว่าเราจะเกิดได้อีกกี่ชาติอย่างพระโสดาบันนั้นบอกเกิดไม่เกิดเจ็ดชาติอย่างต่ําก็ไปเกิดชาติเดียวเนี่ยพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะพระอรหันต์ก็จบสิน้นกันไปไม่ต้องมาเวียนว่ายได้เกิดให้เขาฆ่าเขาคุมคืนให้เขายิงเขาแทงให้เขาเอาไปฆ่าเป็นอาหารอยู่ผู้พิชิชาติการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ เพราะนั้นเรามาทําแค่นี้มันคุ้มนะแต่ถ้าเราทําไม่จริงไม่ทางทำหลอกๆเล่นๆไปมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมนะแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่บําเพญ็ญจนพระโพธิสัตว์อย่างเข้มงวด mm hmm. ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกลัวเข้าสู่อริยภูมิโพธิสัตวภวภูมิก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่เน้ไปในทางดีไปส่วนใหญ่แต่อริยภูมินี่มันสามารถนับชาติได้ว่าจะเกิดอีกสักเท่าไหร่ แต่ผู้ที่ัตย์ังนับชาติไม่ได้ว่าจะต้องเกิดเท่าไหร่ไปเกิดในทางดีว่างหลายบ่า ง, าาง น, นั่นเองการมานั่งทำเช่นเนี้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่หนักหนาอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่เราจะไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาตนะิเราก็ไม่น่าจะมีหน้าไม่น่าจะมีการเงื่อนไขต่อลองใดๆในการที่จะปฏิบัติ ต้องเต็มใจเต็มใจศึกษาเต็มใจยอมรับในสิ่งที่มันลําบากแค่เนี้่ยเพื่อแรกเปลี่ยนกาที่เราไม่ต้องทุกขอีกหลายหมื่นหลายแสนชาติทางา น, น้มันคุ้มยี่กว่าคุ้มนะตักแดดตักฝนนึ ก, ก, กนนถึงครูบาอาจารย์ในสมัยครั้งจะว่าแต่ครั้งพุทธกาลในครั้งสมัยเรานะอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าบอกให้ฟังอย่างหลวงปู่พุมาท่านบอกไปปฏิบัติตามทุง่งตามป่าฝนตก นักมานอนก็นคืนน้ำไหลพัดกลิ้งไปไม่รู้เท่าไหร่นะพะว่าน้ำป่ามาไม่รู้ตัวขนาดนั้นไอ้เราก็ไม่ถึงกับทุกข์ยากลาบากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เราคงจะต้องลงทุนอย่างนี้ด้วยวิธีการอย่างนี้เราจะแล่เปลี่ยนเอาการที่ไม่ต้องเกิดซ้าซากนี่ได้นะเพราะฉะนั้นะในช่วงที่เรารับอาหารก็ ไม่ต้องรีบนะรีบพอทานสบายๆเหมือนเรากำลังปฏิบัติอยู่นะแก็นั่งทานแล้วก็ใครเสร็จก่อน ก, ก็ค่อยๆลุกไปใครไม่เสร็จก็ทานอยู่อย่างนั้นให้สบายนะกินอยู่กินสบายนอนสบายนวิธีการปฏิบัติของวิธีการของกเรากินสบายนอนสบายอยู่สบายที่สุดจะหาพ่อทางโลกทังโลกยะขินลาบากนอนลาบากรีบไปรีบกินรีบ อะไรก็ทุกลุลลานไปหมดชีิตข้างนอกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกประพืชพรหมจันทร์คือพืชตัวอย่างของผู้ปรปเสด็จนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปรับประานร่วงกันลุกขึ้นเลยไม่ต้องกลับ